พระเรื่องิุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูการสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่รูปเดียวตลอดฤดูการคนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงลำดับนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีสี่รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงแต่เรามีผู้เดียวและคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงอย่างกระนั้นเลยเราพึงนาจีวรของสงเหล่านี้ไปกรุงสาวัตถีแล้วได้นาจีวรเหล่านั้นไปยังกรุงสาวัตถี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 คนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนั้นอธิษฐานจีวรเหล่านั้นว่าจีวรเหล่านี้เป็นของเราภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นยังไม่ได้อธิษฐานจีวรนั้น มีภิกษุรูปอื่นมาก็พึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆกันภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังแบ่งจีวรนั้นแต่ยังไม่ได้จับสลากมีภิกษุรูปอื่นมาก็พึงให้ส่วนแบ่งเท่าเท่ากันภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังแบ่งจีวรนั้น และจับสลากเสร็จแล้วมีภิกษุรูปอื่นมาภิกษุเหล่านั้นไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง